บทที่51อาจารย์ชิตขณะขับรถกลับจากงานศพสามีนางเนยนายสมชายดูยเคร่งเครึมไม่ช่างเจรจาเหมือนที่เคยจนท่านพระครูรู้สึกผิดสังเกตความทุกข์อันใหญ่หลวงที่ชายหนุ่มกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ก็คือทำอย่างไรจรึงจะมีเงินแต่งงานฝ่ายผู้หญิงเขาเรียกค่าสินสอดเป็นเงินถึงสี่0 0บาทอีกทองมั่นหนักหบาทเบ็ดเสร็จแล้วเขาจะต้องมีเงินถึง 48,000 บาทจึงจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าบ่าวเงินเกือบตั้งครึ่งแสนจะไปหาได้จากที่ไหนกู้ยืมใครเขาก็คงไม่ให้เพราะไม่มีหลักทรัพย์คำประกัน ครั้จะอาวัดป่ามาม่วงไปจำนองกับธนาคารก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านจะอนุญาตหรือเปล่ายิ่งคิดก็ยิ่งร้อนรุ่มกรุ่มสวงแต่การก่อนก็สุขใจสุขกายสบายดีอยู่พอมาตกห่วงรักเหวลึกก็มีอันต้องทุกข์กระทมตรมไหมไม่เว้นแต่ละวันนี่แหละนะ้าเขาว่าอยู่ดีไม่ว่าดีลูกศิษย์ก้นกุตินึกสมน้าหน้าตัวเอง สงสัยว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเสียกระมังท่านพระครูเปลยขึ้นคิดว่าฝ่ายนั้นจะโต้อตอบก็เห็นยังเงียบอยู่นายสมชายกำลังใช้ความคิดอย่างหนักจึงไม่ได้ยินที่หลวงพ่อพูดกำลังเข่าฌานอยู่หรือไงสงสัยจะเข้าจะตุดฌานท่านย้าาอีกครั้งครั้งนี้คนถูกย้าวรู้สึกแค่ว่ามีเสียงผ่านหู หากไม่ได้สมเนียกว่าท่านพูดว่าอะไรสมชายเธอเอาหูมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าลืมไว้ที่บ้านงานโนนจะกลับไปเอาก็ยังทันนะทีนี้ท่านพูดดังกว่าเก่าวอะไรนะครับหลวงพ่อว่าอะไรคนถูกเรียกเพิ่งจะรู้สึกตัวทาไมเดี๋ยวนี้เธอเมอะเมอ ย, ยังไงชอบโกนมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าก็ก็ไม่ ไม่มีอะไรดีครับปฏิเสธเสียงอ่อนไม่ไม่มีก็แปลว่ามีเพราะปฏิเสธซ้อนปฏิเสธย่มกลายเป็นบอกเล่าเธอมีอะไรไม่สบายใจก็บอกมาหรือถ้าไม่บอกมาฉันจะได้บอกไปท่านเริ่มยั่วในสมชายไม่มีอารมณ์จะโต้อตอบจึงระบายความกลุ้มให้ท่านฟังแทน ฝ่ายผู้หญิงเขาเรียกค่าสินสอดทองมั่นตั้งรวมห้าหมื่นผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็เลยร้อนรุ่มกลุ้มรวงอยู่นี่ไงครับแหม่หน้าสงสารจริงเอาเธอตัวฉันนะ่ะสงสารเธอใจแทบขาดและฉันก็อยากจะช่วยเธอถ้าว่าไม่อยู่ในฐานะที่ช่วยได้ก็เลยจะไม่ช่วยโทษหลวงพ่อพูดิดิบดีที่แท้ก็สรุปว่า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 แต่เป็นเงินที่เขาบริจาคถ้าเธอจะเอาไปออไม่ครับหลวงพ่อผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันผิดเจตนารมณ์ของญาติโยมเขาเขาเจตนาทำบุญไม่ได้ให้ผมเอามาแต่งเมียชายหนุ่มปฏิเสธเป็นพลาวันก่อใครว่าฉันจะทำอย่างนั้นล่ะฉันยังพูดไม่ทันจบเลยอ๋อแล้วครับขอประทานโทษ ถ้าอย่างนั้นนี่มลหลวงพ่อพูดต่อให้จบเธอครับไม่ตองแล้วก็ส่วนที่ฉันพูดต่อน่ะเธอพูดหมดแล้วเอแต่พอมีทางนะเธอจะลองดูไหมลองเอาวัดป่ามะม่วงไปจำนองกับธนาคารท่านตั้งใจล้อเลียนหากนายสมชายคิดว่าเป็นจริงจึงรีบสนองว่าแม้ผมก็คิดอยู่ทีเดียวนึกว่าหลวงพ่อจะไม่อนุญาตซอีก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 เพราะฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเขาทำกันฉันเพียงแต่ล้อเธอเล่นเท่านั้นท้อยคาของท่านพระครูทำให้ความทุกข์ที่กําลังลดน้อยลงนั้นกลับเพิ่มระดับขึ้นนายสมชายจึงพูดอย่างขัดเคืองว่าเอาเถอะหลวงพ่อไม่ตกที่นั่งอย่างผมบ้างก็แล้วไปแต่ถ้าเมื่อไรที่หลวงพ่อเป็นอย่างผมผมจะไม่ช่วยเหลือหลวงพ่อ เหมือนที่หลวงพ่อไม่ช่วยผมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกสมเพศคนเป็นสิทธิสินักจึงพูดให้สติแก่เขาว่าสมชายเอ่ยอายุชั้นปูนนี้แล้วล่วงการผ่านไว้มากก็มากและที่สำคัญที่สุดคือชันกำลังดำเนินตามมรรคาที่เป็นทางสายเอกจะให้เปลี่ยนไปเดินทางสาย โทรสายตรีนั่นน่ะฉันไม่ทำแน่เธอปัดความคิดเช่นนี้ออกไปจากสมองได้แล้วลูกศิษย์วัดยังไม่หายเคืองคุณจึงเถียงไปข้างๆคูๆว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับผมเคยอ่านข่าวอยู่บ่อยๆคนอายุเจ็ดสิบยังแต่งงานกับคนอายุ17เจขนาดถือไม้เท้ายักแย่ยักยันยังอุตริมีเมียสาว คราวลูกคราวหลานนับราษาอะไรกับคนอายุเพิ่งจะห้าสิบอย่างหลวงพ่อนั่นเขาเป็นคาฤ ห, หาดแต่ชันเป็นบรรพชิตมันไม่เหมือนกันหรอกนะท่านพระครูแย้งเสียงเรียบถึงบรรพชิตก็เถอะบางรูปขนาดเป็นถึงท่านเจ้าคุณก็ยังอุตส่าห์ศึกมาแต่งงานหลวงพ่อจะให้ผมเอ่ยชื่อไหมล่ะท่านพระครูเห็นว่าจะไปกันใหญ่ จึงรีบกล่าวห้ามสมชายสมชายอย่าลามปามเธอพูดอยู่กับชั้นสองคนเท่านั้นอย่าลามปามไปถึงคนอื่นใครก็จะเป็นอย่างไรก็ช่างเขากรรมของเขาทำมาอย่างนั้นแต่ที่ชันกล้ารับรองกับเธอว่าจะไม่เป็นอย่างเขาก็เพราะชันไม่ได้ทำไม่ได้ทำกรรมอย่างนั้นชันปรารถนาพระนิพพาน ไม่ใช่กามคุณห้าในสมชายเห็นว่าถึงอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะท่านได้จึงนิ่งเสียท่านพระครูรู้ว่าเขายังไม่หายหงดหงิดจึงพูดให้กำลังใจว่าอย่าวิตตกทุกข์ร้อนไปเลยอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ฉันก็ขอรับรองกับเธอว่าต้องได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องรอเวลาหน่อยเท่านั้น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 ไม่ปรารถนาเช่นนั้นนะ่ะผู้มิใช่ยวนโดยกำเนิดเจตนายวนหายหงุดหงิดแล้วหรือท่านพระครูย้อนถามผมน่าหรือหงุดหงิดเรื่องอะไรครับคนถามแส้งตีหน้าเหรอเรื่องไม่มีเงินไปซื้อบวงมาผูกคอนาสิ แม้หลวงพ่อพูดอะไรอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนใจไม่ตบไม่แต่งมันซะเลยคนพูดปากไม่ตรงกับใจดีฉันขออนุโมทนายิ่งบวชตลอดชีวิตก็ยิ่งดีหลวงพ่อครับคนเป็นสิทธ์ตั้งใจลากเสียงให้ยาวแล้วว่าก็ถ้าบวชกันซะหมดแล้วใครจะมาขับรถให้หลวงพ่อล่ะครับ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 คนพูดโยนกรองไปให้กับดวงเธออย่าให้ดวงมากำหนดเธอสิเธอควรจะกำหนดดวงมันถึงจะถูกจะถูกยังไงก็ต้องแพงกว่าเผือกอยู่ดีล่ละครับท่านพระครูรู้สึกงงจึงย้อนถามว่าอะไรแพงกว่าเผือกพูดเรื่องดวงอยู่ดีๆไงเอาเผือกเข้ามาเกี่ยวด้วยก็มันสิครับที่หลวงพ่อบอกว่า มันถึงจะถูกผมว่าถูกยังไงก็ยังแพงกว่าเผือกอยู่ดีหรือว่าหลวงพ่อเคยเห็นเผือกแพงกว่ามันล่ะครับสมชายเธอเคยไหมที่อยู่ดีๆก็เห็นดาวระยิบระยับเต็มหมดทั้งที่ความจริงไม่มีดาวสักดวงบนท้องฟ้านะ่ะเคยหรือเปล่าจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงถามอย่างเหลืออดเหลือทนเต็มทีไม่เคยไม่เคยครับหลวงพ่อ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 อย่านะครับผมไม่อยากเป็นต้นเหตุให้หลวงพ่อต้องอาบัติเกิดผมตายแล้วก็หลวงพ่อต้องอาบัติประราชิกเี่วนะครับรับรองว่าฉันไม่ต้องอาบัติเพราะกรณีเนี่ยไม่มีผู้กระทามีแต่ผู้ถูกกระทามเท่านั้นท่านพระครูเล่นสำนวนบ้างมันก็ไม่สมเหตุสมผลตามหลักกรรมที่หลวงพ่อเคยสอนน่ะสิครับ เอหรือว่ากรรมมันคอรับชั่นเขาทำทีกรุ่นคิดใส่ร้ายกรรมระวังกรรมจะเล่นงานเธอเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันไม่เตือนว่าจีกรรมนั้นน่ะถึงจะไม่มีผลมากเท่ามาโนกรรมแต่มันก็ทำให้คนฟันหักมันมากต่อมากแล้วได้ผลเพราะครั้งนี้สมชายปิดปากเงียบไม่ใช่ว่ากลัวท่านพระครูจะทาร้าย เพราะท่านไม่เคยทำร้ายใครทาว่าตัวเขาเริ่มจะมองเห็นทุกโทษแห่งวจีกรรมนี่กระมังที่คนโบราณเขาสอนไว้ว่าพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองหลวงพ่อครับเถ้าแก่หิมไปเกิดที่ไหนครับทุกขติหรือสุ ข, ขติอ้าวทำไมเปลี่ยนเรื่องซะแล้วละ่ะท่านพระครูกแกล้งยั่ว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 แล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าทำได้ก็จะได้กุศลแรงกว่าพวกที่บวชจิมจิมจำจำเสีอีกครับผมขอยอมรับข้อเสนอแต่ในสิบห้าวันที่ผมเข้ากรรมาฐานหลวงพ่อไม่ต้องรับนิมนต์ไปข้างนอกนะครับผมจะได้ไม่รู้สึกว่าผมละเลยหน้าที่ก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าจาพาเขามารับทรง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 ถ้าอย่างนั้นก็นิมนต์หลวงพ่อพูดเถอะครับแต่ผมไม่พูดแล้วนั่นไงขนาดไม่พูดเธอก็ยังเผลอแต่ออกมาจนได้ก็มันลืมนี่ครับแต่ต่อไปนี้ผมจะไม่ลืมเอาเธอเอาเถอฉันชักจะเวียนหัวเหมือนกันสรุปว่าเรื่องของเธอไม่มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคแต่ประการใดและฉันก็ขอบอกว่า ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปฉันจะตั้งเงินเดือนให้เธอเดือนละหนึ่งพบาทย้อนหลังไปถึงเดือนที่เธอเริ่มมาทำหน้าที่ขับรถให้ฉันแต่มีเงื่อนไขว่าแนหลวงพ่อแต่อีกแล้วเธอหนะอย่าชักใบให้เรือเสียเงื่อนไขก็คือฉันจะจ่ายให้เธอก็ต่อเมื่อฉันมีเงินส่วนตัวที่ไม่ได้ใช่เงินวัด คืนนี้ฉันจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีเงินส่วนตัวใช้โดยไม่ต้องรับราชการให้ผมอธิษฐานเองไม่ดีกว่าหรอครับจะได้ไม่ต้องรบกวนหลวงพ่อสิทธิ์ก้นกุติพูดอย่างเกรงใจคนที่ไม่ได้ทำไว้อธิษฐานไม่คืนรอกสมชายไม่งั้นจะอธิษฐานให้รวยกันหมดทุกคนแล้วของอย่างนี้ มันต้องทำต้องสร้างไว้ก่อนกรรมไม่เคยคอรับชั่นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอธิบายแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อจะอธิษฐานเผื่อผมแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าเท่าแก่หิมแกไปเกิดที่ไหนเธออยากรู้ไปทำไมการรู้ไปประดับความรู้ครับเพื่อจะสอนตัวเองด้วย งั้นฉันจะบอกแต่ก่อนอื่นฉันขอถามเธอก่อนว่าคนที่ดับจิตในขณะที่ยังหวงลูกหวงเมียน่ะจิตเขาเป็นยังไงจิตมีโลภะครับแล้วคนที่ตายขณะที่จิตไม่โลภะจะไปเกิดทุกขติหรือว่าสุขคติละ่ะทุกขติครับไม่เป็นเปรตก็ต้องเป็นอสุ ร, รกายอย่างใดอย่างหนึ่งถูกแล้ว ฉันกำลังจะบอกเธอว่านายฮิมเขาไปเกิดเป็นเปรตและหลวงพ่อไม่ช่วยเขาหรอกครับช่วยไม่ได้ก็เขาไม่มีทุนเดิมอยู่เลยคนที่ท่านจะช่วยนั่นนะ่ะจะต้องมีทุนเดิมอย่างน้อย60สเปอร์เซ็นทุนที่ว่านี่หมายถึงกุศ ล, ลกรรมถ้าใครมีกุศ ล, ลกรรมอยู่60เปอร์เซนแล้วมาให้ฉันช่วยก็พอจะช่วยได้แต่เขาต้องช่วยตัวเองด้วย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 ถึงมีโอกาสก็ไม่ได้แต่งหรอกครับหลวงพ่อแม้อยู่ดีไม่ว่าดีจะให้ไปแต่งกับภูเขาเสียแล้วแต่งกับคนยังพอว่าลูกศิษย์วัดไม่ไวายเล่นลิ้นเจ้าโอวาทวัดป่ามะม่วงไม่ได้ตอบเพราะต้องทำหน้าที่มองซ้ายมองขวาช่วยคนขับรถซึ่งพูดมากปากไม่ค่อยได้พักผ่อนเหมือนนายสมชายผู้นี้เมื่อรถตู้สีครีม เลี้ยวขวาออกจากถนนสายเอเชียในขุนทองซึ่งมานั่งดักรออยู่ที่ศาลาตรงปากทางเข้าวัดก็วิ่งมาสกัดหน้ารถในสมชายจึงจอดรถรับเข้าขึ้นมาด้วยไปไหนมาขุนทองสามทุ่มกว่าแล้วยังไม่หลับอีกรือคนขับตั้งคำถาม หลับได้ไงล่ะพี่เหม็นอีตาคนนั้นจะอ้วกแตกอ้วกแตนเลยต้องมานั่งที่ศาลาในขุนทองตอบแล้วรายงานท่านพระครูว่าลหลวงลุงฮะมีคนมารอหลวงลุงที่กุติหนูพาไปห้องพักก็ไม่ยอมไปแกว่าแกป่วยมากเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วมาถึงกุติค่าได้ยังไงหรือว่ามีคนหามมาก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะ หนูกำลังจะปิดกุฏิตอนเกือบสองทุ่มแกก็เดินโซซัสโซเซเข้ามาแล้วก็นอนร้องโอยๆ อ, อยู่หน้าอาสนะหลงลุงแล้ะฮะแสดงว่าเขาป่วยมากและเองทิ้งเขาไว้อย่างนั้นหรือทิ้งแขกของข้าซึ่งกำลังป่วยหนักให้นอนอยู่อย่างนั้นหรือคุณทองท่านเอ็ดหลานชายโทษหลงลุงฮะหนูทนไม่ไหวจริงๆ แกเหม็นร้ายกาดขนาดหนูเข้าไปหลบในห้องกลิ่นเหม็นนั้นยังตามไปราวีหนูอ้วกซะไม่มีดีทนอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงก็ยอมแพ้เลยเดินเล่นๆมาจนถึงศาลาละฮะหลานชายชี้แจงเขาเป็นอะไรถึงได้เหม็นขนาดนั้นหนูไม่ทราบา่ะสงสัยคอแกจะเน่าน้ำเหลืองไหลยเยิ้มเลยและเขามาจากไหนเอ็งถามหรือเปล่า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 แล้วหันไปพูดกับท่านเจ้าของกุฏิหลวงลุงฮะคืนนี้หนูขออนุญาตไปนอนกับหลวงพี่บัวเหียวนะฮะคืนนอนที่นี่มีหวังหนูอ้วกทั้งคืนท่านพระครูรู้นิสัยหลานชายที่คิดเสมอว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจึงไม่ยอมอนุญาตด้วยเกรงพ่อตัวดีจะไปทำให้พรมจันร์ของภิกษุนมต้องมัวหมองไปไม่ได้เอาเธอ ข้าอนุญาตให้เองขึ้นไปนอนบนห้องในสมชายแล้วให้เจ้าของห้องไปนอนที่กุติพระบัวเหียวแทนขอบพระคุณครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมเก็บรถแล้วจะไปอาบน้ำที่นั่นเลยโอ้ยขืนอยู่คงอ้วกแตกกับเจ้าขุนทองมันสมชายว่าแล้วจึงนำรถเข้าไปเก็บฝายในขุนทองก็กระฟัดกระเฟียดเดินเอามืออุดจมูกเข้าไปในกุติ แล้วก็ขึ้นไปนอนชั้นบนท่านพระครูไม่ว่ากระไรเพราะแม้ท่านเองก็แทบจะทนไม่ได้เมื่อเดินไปนั่งที่อาสนะกลิ่นนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นจนท่านเกือบจะต้องใช้มือปิดจมูกเห็นท่านเข้ามาบุรุษวัยหกสิก็พยายามยันกายลุกนั่งแล้วกราบท่านสามครั้งหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยมันทรมานเหลือเกิน เขาพูดพลางส่งเสียงครวนครางโยมเป็นอะไรมาท่านเจ้าของกุฏิถามโอ้ยหมอเขาว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับผ่าตัดแล้วสองครั้งก็ไม่หายมันเหม็นเหลือเกินครับหลวงพ่อโอ้ยผมกะว่าจะมาตายอยู่กับหลวงพ่ออ้าวนี่หนีลูกเมียมาหนินาใช่หรือเปล่า ท่านจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบเพื่อช่วยให้คนเจ็บไม่ต้องพูดมากครับเขาสารภาพไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เอาละขอให้บอกชื่อที่อยู่มาถ้ายังไงอาตมาจะส่งข่าวให้ลูกเมียได้อย่าพูดปดนะอาตมารู้ว่าโย ม, มาจากเชียงใหม่เคยเป็นอาจารย์สอน ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมใช่ไหมแล้วภรรยาเป็นเจ้าของร้านผ้าไหมอยู่ในเมืองลูกชายเป็นประลัดอำเภอลูกสาวเป็นพยาบาลถูกหรือเปล่าถูกครับทำไมหลวงพ่อทราบถามด้วยความสงสยัยก็กดแห่งกรรมของโยมบอกอาตมาน่ะสิไหนบอกชื่อที่อยู่มา ก, ก่อนแล้วมาที่เนี่ย เพราะเพื่อนบ้านแนะนำ ม, มาใช่ไหมล่ะถึงผมไม่บอกหลวงพ่อก็ทราบนี่ครับบุรุษนั้นรู้สึกศรัทธาในตัวท่านขึ้นมาทันทีมิเสียแรงที่ลงทุนจ้างรถแท็กซี่มาส่งด้วยราคาถึงห0 0รอบาทแต่อาตมาก็ต้องให้โยมบอกเอาละ่ะช่วยจดใส่สมุดเล่มนี้ให้ด้วยอาตมาจะเก็บไว้เป็นหลักฐานท่านส่งสมุดเล่มหนาให้ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมรับมาหากไม่สามารถเขียนได้จึงเรียนท่านว่าผมไม่สามารถเขียนได้ครับหลวงพ่อแม้อายุจะแก่กว่าท่านถึงสิปีหากก็เรียกท่านว่าหลวงพอ่อย่างเต็มอกเต็มใจรู้สึกเหมือนว่าทุกขเวทนาลดลงเมื่อได้คุยกับท่านปวดมากจนเขียนไม่ได้หรือ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 อาตมาดึกว่าปวดมากจนเขียนไม่ได้ซิอีกพูดแล้วจึงส่งปากกาให้บุรุษวัยหกสิบรับมาแล้วเขียนชื่อนามสกุลพร้อมทั้งที่อยู่ของตนลงในสมุดแล้วก็ส่งคืนให้ท่านอ๋อชื่อชิดหรือครับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้าอาจารย์ชิดแล้วก็เห็นกฎแห่งกรรมของเขาอย่างทะลุปปโปรง่งทว่าบุรุษนี้ กลับไม่เห็นกฎแห่งกรรมของตัวเอง